สัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสัสนีสนทนา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 ท่านฟังที่ชอบค่ะกลับมาพบ ก, กันอีกทีนะคะกับรายการสันสนีสนทนาที่นีสถานีวิทยุ f อครอบครัวข่าว f m ฟเอคะ่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีก154สถานีด้วยท่านฟังคะ่ะสำหรับวันศุกร์นี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีพระมารชาควโรวัณ น, นาปะพงลาลูกกาคลองสิจะมาสาธยายพระสูตรขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เห็นว่าหน้าที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงเอาไว้เนี่ยนะคะวันนี้ก็จะเป็นส่วนของจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดๆที่อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบางคนบอกฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าแหมกําลังจะพาไปเรื่องธรรมะจ๋า แต่จริงๆแล้วธรรมะจ๋าเนี่ยดีนะคะแล้วก็เรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถึงจะเข้าใจธรรมะขนาดไหนแต่ก็เข้าใจว่าการปลดเปลื้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลําบากเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะทันทีที่อุแวะลืมตาขึ้นมาพอรู้ความหน่อยเราก็จะมีความเป็นเจ้าของนั่นเจ้าของนี่ละครั้งแรกเกิดมา เราก็จะมีพ่อแม่ของเราแล้วใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นไอ้นูนกับเป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราไอน้นั่นก็ของเร า, เเรามันก็เลยทําให้ไอ้ความรู้สึกว่าเป็นของเราของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์คิดยังไงมันก็ถ้าอย่างไม่ใช่ของเราก็ต้องเห็นชัดๆนะคะว่าเออกระเป๋าใบเนีย้ยของฉันเห็นเป็นใบๆอยู่เลยฉันซื้อเองคนให้ฉันมา กระเป๋าใบนั้นน่ะของเธอเธออย่ามาเอากระเป๋าฉันไปใช้นะฉันก็จะไม่เอากระเป๋าของเธอไปใช้ของใครของมันยุ่งกันและเป็นเรื่องอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำไมพระพุทธองค์จึงบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นทั้งทั้งที่พอเราเกิดมาทุกคนระดมกันสอนหมดนะคะอันนี้ก็เป็นรถของเรา หนักๆเข้าก็นเนี่ยบ้านเมืองของเราโลกของเราเด น, นเองคิดว่าเดี๋ยวท่านก็อดใจไว้คอยฟังตอนพระมารกชาคาวโรแต่ที่แน่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องการยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉนันกำลังจะบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนเลยนะคะใครแข็งแรงเกิดมายังไม่เคยป่วยเลย เป็นวัดยังไม่ค่อยเป็นเลยบางทีก็ตั้งอยู่บนความประมาทช่วงนี้หน้าหนาวหมอเขาก็เตือนนักเตือนหนาเลยว่าไอ้โรคที่เคยกลัวๆ ก, ก, กันแล้วมันซาซาไปเนี่ยมันอาจจะกลับมาก็ได้ไข้หวัดสองพันเก้า่ฉันยังจำต้องจำเป็นต้องมาพูดซ้ำอีกอนะคะเพราะเห็นว่าพวกเนี้ยมันป้องกันได้และบางทีเนี่ยไม่ใช่เป็นการป้องกันเพื่อตัวเราเองนะ เราเนี่ยได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลจากการติดเชื้อจากคนอื่นปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้คนอื่นติดเชื้อจากพวกเราอันนี้จะว่าไปหวัดธรรมดานี่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นกันแล้วเอาแค่นอนหายใจไม่สะดวกทั้งคืนกระสับกระส่ายนี่ก็ทุกทรมานมากแล้วนะคะ โรคหน้าหนาวเขาว่าจะต้องระวังมากก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่แหละแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปที่จะกระทํากันเรื่องของความสะอาดนะคะเมื่อก่อนที่ฉันก็ล้างมือแบบธรรมดาธรรมดามีอยู่ช่วงหนึ่งตอนไข้หวัดระบาดได้สักพักหนึ่งเนะะี่ยค่ะไอสองบันเก้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยหมายถึง่าเข้าไปเฝ้าไข้นะคะก็ได้เห็น กรรวิธีในการล้างมือเขาจะแปะไว้ทุกที่ที่อยู่ ใ, ใกล้ๆอ่างเนี่ยได้เห็นแล้วรู้ว่าตลอดชีวิตมันเนี่ยล้างมือไม่เคยถูกต้องเลยคือล้างแล้วง่าม น, นิ้วทุกง่าม น, นี่เขาจะต้องล้างด้วยปลายนิ้วมือเนี่ยนะคะก็จะต้องถูให้สะอาดเอี่ยมด้วยแถมยังจะต้องล้างมาถึงข้อมือด้วยอันนี้ก็เลยโอ๋อได้รู้ว่าถ้าจะล้างมืออย่างถูกต้องจริงๆแล้วต้องล้างแบบนี้ และเป็นการไม่ใช่ล้างเพื่อตัวเองนะคะเผื่อแพ่คนอื่นด้วยอย่างที่บอกนั่นแหละรักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นอันนี้เป็นส่วนที่ดิฉันแอบขอเอาพุทธว จ, จะนะมาใช้การเดี๋ยวไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มาร์คชาคาวโรนะคะแห่งวั น, นาปะพงลำลูกกาคลองส0ซึ่งวันนี้ท่านจะนำพระสูตรของพระพุทธองค์มานำเสนอกับท่านฟังค่ะ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 แกฝากสลากอตสินพิเศษชมหมายอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์รุนรดเบนถึง10คันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบนเดือนละครับ2เดือนสุดท้ายลุนเดือนละ3คันรวด<ะ>แถมลุนนวันที่1รวบ20ล้านบาททุกเดือนฝากครบกรำหนดรับดอกเบี้ยสูง <า S 1> <ๆ>งานนี้ฝากก่อนรุนรดเเบนก่อนถึง30เมษายนปีหนะ้าโถเลย1115 <Time. S 2> ท่านฟังคะ่ะมาถึงช่วงถามโลกตอบธรรมก็ขอให้ท่านฟังได้พบกับพระมารชาคขาวโรวัดนาประพงลำลูกกาคลองสิบกันได้แล้วคะ่ะนำมัส ก, การคะ่ะท่านคะอจะรยพอค่ะวันนี้ได้เกลิ่นไปพอสมควรนะคะว่าท่านอาจารย์จะได้พูดในเรื่องของไม่ควรยึดมั่นถือมั่น อบางคนบอกไม่ถือได้ยังไงไม่ถือก็ตกอะไรเงี้ยนะคะอ่าที่เราเราไม่รู้ว่าเรากําลังกําลังถือองค์ประกอบของคิดว่าเป็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ค่ะอ่อจะอ่าถ้าสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องว่าที่พระเจ้าสอนพิสูวาสิ่งใดใดโนเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่จะอ่านแะเรียได้ฟังว่าอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ได้ตรัสอย่างไรบ้าง แต่ท่านแต่กลับพิสูุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ดังนี้อริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษมิได้อย่างนี้อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือก็อยึดถือซึ่งรูปนั่นเองซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารทั้งหลายและซึ่งวิญญาณ น, นั่นเองเพราะความยึดถือ ของเรานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพก็พมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นเพราะแห่งกองทุบท่านเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในครี น, นี้ครีช่วงแรกที่ท่าน ถามพิสูจว่าลองดูสิว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างที่เรายึดถืออยู่เนี่ยจะหาโทษไม่ได้ถ้าเราลองมาคิดดูจริงแล้วก็ทุกอย่างเลยเนาะว่าว่าทุกอย่อางที่เรายึดถือเนี่ยรัฐให้โทษเราได้ทั้งนั้นเมื่อมันแตกเปยนไปแตกสลายไปแล้วเสื่มสิ้นไปถ้าใครจัดว่าอันนี้เป็นประโยคที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเป็นอย่างที่ท่านจัดว่าในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษมีได้คือท่านบอกไว้ว่าพุกอย่างเลยว่าถ้าไม่มีอะไรเลยที่เรายึดถือแล้วจะไม่มีโทษโดนมีโทษทางนั้น <c oughs> นี่ถ้าเราลองมาพิจารณาดูว่ า, าพารณาของภายนอกอยู่เรายึดถือบ้านยึดถือรถยึดถืออาชีพหน้าที่การงานถ้า ม, มันมีความแปรเปลี่ยนไป เช่นเอ่อมาจะถูกเวรคือหรือว่ารถพังขึ้นมาหรือเออาชีพหน้าหน้าที่มันเอ่ต้องโดนไล่ออกเราก็จะทุกข์ไปตามมันมันเป็นสิ่ที่ให้โทษกันเราทําให้เรามีความทุกข์ไปตามมันแต่ว่าถ้าตัดบอกว่าที่เรายึดถือยึดถืออะไรก็คือยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารยิญญาคือองค์ประกอบของชีวิตของตัวเรานั่นเองเนี่ยที่เรากําลังยึดถืออยู่ ให่อย่างนี้ซึ่งมันเป็นของที่ให้โทษทางนั้นแบบเพราะว่ามันมีความแปรเปลี่ยนไปแตกสลายไปได้ค่ะ <Okay. S 1> แต่ท่านก็ไล่สายปฏิจจสมุปาทว่าเมื่อมีอุปทานก็ ค, คือความยึดเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีภพ ค, คือสถานที่เกิดในสารนี่แก่ก็มีการเกิดที่ชาติเกิดขึ้นถ้ามีชาติมีการเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็จะนําไปสู่ชรามรณะคือความเสื่อม <Okay. S 1> แล้วก็ความแตกสลายไป วงจรของการถ้าเราไปยึดเธอแล้วก็นำไปสู่ความเกิดแก่ตายเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่รู้จักจบจักสิน้นค่ะแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสต่ออีกว่าดูก่อนภิสูจนทั้งหลายเธยจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุนก็แตว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เทีย ง, ส, ง, ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุกเล่า <Okay. S 1> ภิกษุกถาว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าฉันก็ถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า mm hmm. นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุกถาว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระผู้มีพ้ะภาคเจ้าตรัดไว้ที่มี ความสำคัญดังนี้ว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นในอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีต ก, ก็ดีอยู่ห่างไกลหรือใกล้ก็ดี รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงดังนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้นี่คอือการสรุปไว้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ถ้ามันมีความเป็นทุกข์มีความแปรปวนไ ป, ป, ป, ปเป็นธรรมดาเราจะไปมองเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราได้หรือเขาไม่ควรคเราควรเห็นว่านั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นดาวนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเราจะบอกว่านี่เรากําลังศึกษา ต, ตรายักษ์อยู่ด้วยหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องค <laughs> ือแต่ องค์ประกอบข so องชีวิตหรือแม้แต <Okay. S 2> <math. S 1> ่อารมณ์เล็กเด่นกายใจเนี่ยมันมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาซึ่เราก็รู้อยู่อะว่าว่ามันแปรปรวนไปเป็นธรรมดามันมีความแปรเปลี่ยนไปแตกสลายไปแต่พุทธเจ้าถาว่าเอ้ถ้ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยเราควจะยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งเหล่านั้นเหรอควรแล้วหรอที่ได้เห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะถ้าเราไปถ้ามันเป็นของเรามันต้องมันไม่น่าจะเสื่อมได้สิ มันเปลีไ่ไปได้มันแปลเปลี่ยนไปได้นี่คือมันอยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าเราเราเราไม่อยากที่จะมองมันเท่านั้นเองมันเหมือนอย่างนี้กับท่านคะพยายามคิดตามไปด้วยนะคะว่าจริงๆเราก็รู้อยู่นะว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีความแปรปรวนไม่เป็นธรรมดาแต่ดูเหมือนกับว่าในชีวิตที่เราใช้แต่ละวันแต่ละเวลาต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะอือมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึก แรงจนกระทั่งไปถึงจุดที่อาจจะคนหนุ่มคนสาวอยู่ก็มีอุบัติเหตุสมมุตินะคะหรือว่าโชคร้ายไปเจอโรคติดเชื้อ<ช>ร้ายแรงใช่คือติดเชื้อเบาๆนี่ก็ไม่ค่อยฉูกคิดกันนะคะท่านใช่ใชแต่ถ้าสมมุติถ้าปล่อยไปตามวัยก็คือมันจะมาถึงวัยหนึ่งเช่น พออายุเริ่มห้าสิบเนี่ยเขามันเริ่มวัยทองทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมันก็จะพบทั้งอาการทางกายแล้วก็อาการทางใจชอบกลนแล้วก็ทําให้เริ่มมีความรู้สึกชักกลั ว, ลว อ, นนอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเนะคะว่าออตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคิดถึงเรื่องพวกนี้อือแต่พอเนี่ยปวดขาปวดเข่า ทำไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้อาการแปลกๆเกิดขึ้น<ช>และเราชักเชื่อแล้วว่าวัยนี้มันต้องเป็นแบบนี้อืมมันก็ชักจํานนนิดๆ <c oughs> <c oughs> ใช่ซึ่งอาจารย์มาก็มามองว่ายอย่างอย่างสมมติคนนี้วัยอายุสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็จะเขาก็จะมองในคนที่นะครับมองเห็นในคนที่วัยใกล้เคียงกันยีส<ช>ิบปีก็จะมองวัยสิบปี ยีสิบปีก็จะมองไว้ยี่สิบปีสามสิบปีก็มองในไว้สามสิบปีคือแต่น้อง น, นักที่จะสามารถมองว่ามองได้ได้กว้างซึ่งคูจ้าเนี่ยมองได้มองได้กว้างแล้วก็เห็นแฝงธรรมทุกอย่างนะครับพูดความจริงให้ให้เรารู้ว่าเออระวังนะเ อ, อ่อทุกอย่างมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาก็ให้ให้ระวางังแล้วก็มีความไม่ประมาทนะแต่เพราะว่าเราเ อ, อ่อ ก็คือมีความยึดมั่นถือมั่นในในตัวเราของเรามาตลอดการช้านานเพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าอย่าเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ใช่เรื่อง่ายมันก็ต้องค่อยๆแข่งมม ก, การเห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อในเนือในเนือยิ่งแร็วเท่าไรก็จะยิ่งดีท่านใช้คามันอย่างนี้ไหมคะว่าวันหนึ่งคือสังเกต่ะคนจะคิดอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ผ่านโลกมาเป็นเวลาพอสมควร ระดับหนึ่งใช่แล้วก็มันเหมือนกับชักรู้แล้วว่าสู้กับธรรมชาติเนี่ยสู้แล้วเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะชักจะยอมรับเรื่องของอธรรมชาติที่ไม่ควรยึดมั่นในตัวตนมันแปรปลี่นไปเป็นธรรมดาเนี่ยใช่ใช่ <c oughs> กออ็อย่างพระเจ้าก็ยังพูดไว้ว่านเนี่ยปุถุชนผู้ไม่ได้ผู้ไม่ได้มีการสดับในธรรม ของอาณาสาวกเนี่ยอาจจะมีการเบื่อหน่ายในกายได้บ้างที่เป็นกายที่เป็นมหากายที่เป็นที่ประชุมของมหาพุทธทั้งสี่นี้เพราะว่ากายนเนี่ยเนี่ยมันแสดงความเสื่อมให้เราเห็นคือกายเนี่ยอาจจะคงอยู่หนึ่งปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีร้อยปีสองร้อยปีแต่ว่ามันมีการเสื่อมไปแตกสลายไปให้เราเห็นเราจะมีความเบื่อหน่ายในกายได้บ้าง ถึงแม้ ว, ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ที่สดับในธรรมของอริยสาวกหรือของพระผู้มีพระเจ้าแต่ทั้งจัดว่าแต่บุงคลที่ไม่ได้มีการสดับในธรรมของอริยสาวกหรือที่อริยสาวกเพิ่มพูดขึ้นหรือว่าธรรมมของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยไม่อ่านเบื่อหน่ายในจิตได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยได้ถูกถมทับมาด้วยตัณหามาช้นายว่าจิตนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา แล้วก็เพราะว่าจิตนี้เกิดขึ้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับตลอดเวลาเราเห็นมันเกิดไม่ทันเพราะนั้นมันก็เป็นยากที่จะเป็นการยากที่จะเริ่มมีความเบื่อหน่ายมีความคลายความพอใจ <c oughs> <c oughs> นี่เออขอย้อนกลับมาที่ประศุทธ์อันนี้อีกนิดหนึ่งก็คือว่าเออท่านได้ตรัสว่าเนี่ยถ้าเมื่ออายะสาวกเนี่ยผู้ได้สดับอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสันงขารทั้งหลายแม้ในวิญญาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความพอใจเพราะคลายความพอใจย่อมหลุดพ้นมหลุดพลล้นย่อมมี ญ, ญาณอยากรู้ว่าหลุดพ้นแล้วพยส า, าวกนั้นย่อมรู้ชาอย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่คนทําได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นได้ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนายคิดว่าถ้าเมื่อเรา มันเห็นอยู่แยี้ยบ่อยๆเราจะเรื่อยเกิดความเบื่อนหน่ายได้เองหลังแต่ที่เราเนี่ยยินดียมใช่ไหมคุณว่าเออเราเห็นความจริงว่าสู้กับธรรมชาติแล้วเหนื่อยค่ะงั้นก็มาลองเห็นอย่างที่มันเป็นจริงว่าเออมันมีความแปรเปลี่ยนแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแ ล, แล้วเราก็จะเริ่มคลายความพอใจคลายความยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็จะมาเริ่มมาร้องนำปฏิบัติเพื่อความหุดพ้นไปสู่กาที่ ระเพื่อให้หลุดพ้นจากสารวัตรนี้ได้ค่ะแล้วก็มันมีอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องทางโลกเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนจะกลัวความแก่กันซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะคะเออใช่บางทีอายุตั้งแ0ดสิบกว่าแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าเป็นคนแก่นะคะแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ขันของท่านแต่บางคน ก็ถึงขนาดว่าถ้ามีตังค์เนี่ยจะทุ่มเทไปกับการที่จะทําให้ยังดูหนุ่มสาวมีชีวิตชีวาอยู่อืแล้วก็เขาบอกคนสมัยเนี่ยดูยากนะคะเห็นหน้าไม่ค่อยรู้อายุเพราะบางทีมันตึงไปทั้งตัวเลยค่ะท่านค่ะทั้งที่อายุมากแล้วใช่แต่ถ้าถ้าเราถ้าเรามามองกว้างๆเนี่ยบางทีเราก็ถูกถูกนะถูกปลุกฝังถูกถูกปลุกฝังมาว่าเออชีวิตสิบปีนะจะต้องมีเท่านี้ ยี่สิบปีเนี่ยต้องมีอย่างนี้แล้วนะสามสิบปีต้องมีประมาณเท่านี้สี่สิบปีห้าสิบปีคือแต่ก็ถูกกาหนดว่าในช่วงชิดเนี่ยเราจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คร <Okay. S 1> ับเราถูกตีก่อนว่าเราต้องเดินไปอย่างนี้เ ด, เดินออกนอกกรอบหรื่อยๆผิดก็ด้เดินอ่านเริ่มเรื่มครัวละ <Okay. S 1> แต่พระเจ้าเนี่ยมาให้มองมองว่ามองว่าสิ่งอย่างการได้กายที่เป็นรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้อง อมีการเสื่อมสลดยต่สลาไปตับเวลาบางทีการเอาเวลาเข้ามาจาับว่าสิบปียี่สิบปีสาิบปีสี่สิบปีห ป, ปเนี้ยก็ต้องเป็นอย่างนี้นมันก็ตลอดทางโลกนะก็อาจจะกลายเป็นเพิ่มความเครียดเผตัวเออตรนนี้ละยังไม่ถึงตรงนี้เลยตรงนี้ละทำให้ <c oughs> เป็นอย่างนี้ค่ะ <c oughs> มันเจ้าให้มองให้กว้างว่าอืมมีความเสื่อมไปนะถ้าท่านเกิดปุ๊บเนี่ยมีความตายรออยู่ตรงหน้าเพราะนั้นถ้าเบื่อความตายแล้ว มาลองประพฤติปฏิบัติเพื่อความไม่ตายกันดีกว่านี่แปลว่าท่านสรุปให้เป็นคําตอบด้วยเลยใช่ไหมคะว่าความตายเป็นน่าเบื่อการไปยึดมั่นถือมั่นออะไรนะคะล่างเป็นที่อาศัยของพูดทั้งสี่อะค่ะกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่กายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟที่เป็นธาตุนะคะถ้าเบื่อหนายแล้วก็ให้มาประพฤติปฏิบัติ ใช่เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องอาจจะไม่ได้ต้องมาได้การนี้หรือว่าหลุดพ้นไปไม่ต้องมากังวลกับเรื่องนี้ต่อไปค่ะก็เท่ากับว่าตอนแรกดิฉันจะถามนะคะว่าเอถ้าอย่างนั้นในทางทำเนี่ยคนอายุสามสิบควรทําอะไรสี่สิบห้าสิบทำอะไรท่านคงจะหมายความว่าทุกอายุต้องทําแบบเดียวกันหมดหรือเปล่าคะอย่ายึดมั่นถือไม่ก็ถ้าถ้าเห็นให้เห็นได้เร็วก็ดีหรือว่าคือ ออมันก็ถ้าอาจารย์ก็มองว่าถ้ามันได้เห็นเราจะทําความจริงกันเนี้ยยิ่งเร็วก็ก็มันก็แล้วถ้าแก่ความเบื่อหน่ายใครความพอใจได้มันก็เป็นผลดีกับเรา ใ, <ช>ใหมองเห็นให้มุมที่พุทธเจ้าบอกว่ามุมชิดกว้างจริงๆว่าเออกายเนี้ยมันก็แค่ธาตุดินน้ำไฟนมนะแกิดขึ้น ม, มันต้องเสื่อมไปแน่คมันมาหาทางออกไปจากสิ่งนอม น, นี้ดีกว่าค่ะก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงค่ะ ความไม่แน่นอนอันนี้จังใช่แล้วก็ก็ยเนี่ก็อาจจะให้มองเห็นอาทิหนา้าคือโทษ ต, ตามความว่าการนี้นะวัอนี้มันแตกสลายไปได้เสืส่มสลายไปได้แต่รูปเวทนาสัญญาสักการเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เท่งเท่งแท้ถ้าเราไปยึดมันมันจะมีแต่โทษเช่ไหนาแง่ว่าเราพิยบคราบวันใดความสุขดับไปเปีนเด็กขับตัวเราต้องไปแสวงห า, าความสุงไปอีก คหาไปเรื่อยเร่อยจนไม่จบไป่ินค่ะหาเพื่อที่จะหาสิ่งใหม่มาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ใ, ใหม่ใช่เพลย์ต่อไปเรื่อยๆค่ะความความสุขที่มันดับไปได้เรื่อยๆแล้วหวังว่ามันจะเตีแรงยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งนะคะที่ที่น้งคิดว่าเป็นพระสูตรที่สําคัญแล้วเข้าใจง่ายสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติได้วันนี้จะทําอะไรต่อไปก็ขอให้พิจารณาเลยนะค ะ, คะว่าเออมันเที่ยงไหม มันเป็นทุกข์หรือเปล่านะคะ<ช>แล้วก็<ช>มันเป็นของเราหรือเปล่า <c oughs> นั่นไม่ใช่ของเรา<ช>นั่นไม่ใช่เป็นเรา <c oughs> นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ได้อยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุขตามธรรมค่ะวันนี้ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณพระมารชากระบวรโรวัฒนาป่าพงลำลู ก, กาคลองเสร็จเอาไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะนมัส ก, การาท่านคะ่ะอาจะรย์พอ โลกตอบ ท, ท่านฟังที่ครบคะ่ะรามาฟังพุทธประวัติจากพระโอส์จากรายการสรนสนีสนทนาโดยการอ่านของดิฉันสรนสนีนาคพงศ์ในเรื่องครั้งมีพระชาติเป็นพระเจ้ามัคะเทวราชด้วยกันคะ่ะอานนท์ความคิดอาจมีกับเธอว่าผู้อื่นต่างหากที่เป็นพระเจ้ามัคะเทวราชในสมัยโน้อนอานนท์ เธอไม่ควรเห็นเช่นนั้นเรานี่เองได้เป็นพระเจ้ามฆาเทวราชแล้วในสมัยนั้นดึกดำบันที่เมืองมิธิลานี้มีพระราชานามว่าพระเจ้ามฆาเทวะเป็นพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติในธรรมในพราหมณ์และขะหาบดีทั้งในเมืองหลวงและในชนบทย่อมเข้าอยู่อุโบสถในวันที่14หรือสิบห้าและวันที่แปดแห่งปักพระเจ้ามฆาเทวะนั้นเรียกช่างกลระบบมาแล้วสั่งว่าเพื่อน ท่านเห็นผมหงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเราเมื่อใดก็จงบอกเรานั้นอานนท์ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมากช่างการบุกนั้นได้เห็นผมหงอกแล้วกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระเจ้ามฆาตเทวะรับสั่งให้ถอนหงอกด้วยแหนบแล้ววางใส่ฝาพระบาทให้ทอดพระเนตรครั้นเห็นแล้วพระราชทานบ้านสวยบําเน็จแก่การบกนั้นรับสั่งให้หาราชบุตรองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตรัสว่า แน่พ่อกูมานเทวทูตปรากฏแกเราแล้วงอกเกิดบนศรีรษะแล้วการอันเป็นวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรเพื่อการแสวงกามอันเป็นทิพสื่อไปมาเถอะพ่อผู้กูมานเจ้าจงครองตำแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปอันหนึ่งถ้าเจ้าเห็นงอกเกิดขึ้นที่ศรีรษะของเจ้าเมื่อใด เมื่อนั้นจงประธานบ้านสวยเป็นบําเน็จแก่ช่างกล ร, ระบกและชี้แจงมอบหมายตําแหน่งพระราชาแก่ราชโอบราชบุตรองค์ใหญ่ให้ดีและจงปลงผมและหนวดกลองผ้าย้อมฝาดออกบวดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปเถิดเจ้าจงประพฤติตามกรัลรยาณวัตรอันนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเจ้าอยากเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรากรัลรยาณวัตรอันนี้ขาดตอนลงในยุค ข, ของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตรของเราแน่พ่อผู้กุมารเราข อ, อกล่าวถึงวัดนั้นกับเจ้าในบัดนี้อย่างนี้ว่าเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยอานน์ครั้นพระเจ้ามคาเทวะประธานบ้านสวยกระช่างการะบกมอบหมายรัชสมบัติแก่พระราชบุตรองค์ใหญ่เป็นอย่างดีแล้ว ก็ปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดบวชแล้วจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนในป่ามคะเทวมพวันนี้เองเธอผู้บวชแล้วนั้นแผ่ความรู้สึกด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สที่4โดยอาการอย่างเดียวกันด้วยเหตุนี้เป็นอันว่าเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอย่างไพ่บุญเยี่ยมยอดหาที่เปรียบไม่ได้ปราศจากเวรและพยาบาทแผ่ไปทั่วโลกทั้งปวง เพแผลทั่วไปทั้งในเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาโดยรอบเธอนั้นมีจิตประกอบด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ทั่วไปในโลกทั้งปวงเพราะแผ่ทั่วไปทั้งในเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาโดยรอบแล้วแลอยู่เธอบวชและประพฤติปรหมจารย์อยู่ในป่ามากคะเทวมพวันนี่เองครั้นทำพรหมวิหารทมทั้งสีให้เจริญแล้วก็เข้าถึงพรหมโลกภายหลังจากการตายเพราะการทําลายแห่งกายอานนท์เราแล ได้เป็นพระเจ้ามะคะเทวะแล้วในสมัยนั้นอนุชนที่เกิดขึ้นในภายหลังได้ประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วแต่ว่ากัลยาณวัตรนั้นจะเป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกําหนัดความดับสนิทความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานก็หาไม่เป็นไปเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นอานน์ก็แต่ว่ากัลยาณวัตรที่เราบัญญัติไว้แล้วในการนิแลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่าย ความคลายกาหนัดความดับสนิทความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานโดยท่าเดียวกลัลยาณวัตรนั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ความเห็นชอบดําริชอบพูดชอบการงานชอบดํารงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบดังนี้ค่ะนี่ก็เป็นอกพระชาตของพระพุทธองค์นะคะสาหรับธรรมะ ที่พระองค์ตรัสรู้ในพระชาติที่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับการรวบรวมทำวินัยจากพุทธโอษในหนังสือพุทธวัตร9ก้าย่างอย่างพุทธะก็พร้อมที่จะให้ท่านโทรมาขอกันวันละหท่านนะคะไม่มีขายที่ไหนติดต่อมาได้แต่ที่ FM-106 0 2 2 6 9 0 0กและ 02-269-0060 วันนี้ดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะ ก็จะหยุดพักไปพร้อมกับรายการเสราร์อาทิตย์แล้วกลับมาพบกันอีกทีหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะคะขอให้ทุกท่านได้ใช้วันหยุดในการที่ให้ชีวิตมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมคะ่ะสวัสดีคะ่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสรนสนีสนธนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสรสนีนาคพง์ที่นี่ สทรเอฟเ6มวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน